อนาปติวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ998 1. ภิกษุณีไม่ระ ง, งับในเมื่อมีอันตรายสองภิกษุณีแสวงหาคณะผู้วินิจฉัยที่ก่อนไม่ได้ 3. ภิกษุณีผู้เป็นไข้สภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภิกษุณีวิกลจริต 6. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 5. จบ